น, น้อมๆจะคุณพระตัตนตรัยโอกาสเพื่อนสามีทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีระยะที่ทำทุกท่านในลักษณะอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาะเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามีความแตกต่างจากศาสนาอื่นๆนะตรงไหนๆชัดเจนมากที่สุดนะหลายๆอย่างนะนะ แต่จะเห็นสิ่งหนึ่งว่าพุทธศาสนานี้จะเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครนะเราจะเห็นว่าพุทธศาสนานี้ไม่เคยมีการทำสงครามศาสนากับผู้ใดนะบางที่เราจะเห็นบางศางสานาก็จะมีการทำสงครามกันมากมายนะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนะแต่พุทธศาสนานี้ ไม่เคยนะว่าจะมีประวัติศาสตร์ตรงไหนว่าต้องลบลาค่าฟันในเรื่องสงครามศาสนานี้ไม่มีทั้งสิ้นนะพราะผู้เป็นสิ่งที่คําสั่งสอนพระเจ้าในตรงนี้นะว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่ามนุษย์ทางหลายแหล่นี่แหละตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ว่าเป็นคําสอนที่ว่าให้เรานะยอมรับในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะ ในยุคที่พุทธศาสนาได้หมดจากอินเดียอย่างแท้จริงนะก็จริงๆแล้วก็โดนลุกลามมาตลอดนั่นแหละนะเริ่มตั้งแต่ที่ในพุทธศาสนากันเองนะทําตัวไม่ค่อยจะเป็นที่เริ่มใสเท่าไหร่นะทำตัวประพฤติย่อหย่อนนะชาวบ้านต่างๆก็เริ่มที่จะหมดศรัทธาไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เสื่อมลงนะหลังนั้นก็ฮินดูนะก็ขึ้นมาเป็นใหญ่ทัศนศัตริย์ ฮินดูขึ้นมาเป็นใหญ่เมื่อไหร่พุทธศาสนาก็จะเสื่อมลงไปเมื่อ น, นั้นก็ค่อยๆเสื่อมมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งอิสลามนะยกเข้ามานะจากทางเติร์กนะทางตุรกีนะบุกเข้ามาจากอัฟกานิสถานบุกเข้ามาทางอินเดียนะพอบุกเข้ามาก็สามารถฆ่าฟันนะชาวพุทธได้มากมายนะพระก็โดนฆ่าตายมากมายนะ เราจะเห็นว่าแทบจะมีการต่อต้านจากชาวพุทธหรือพุทธศาสนาเลยนะตอนนั้นถึงขนาดเรียกว่าจะเอ า, เอาอิสลามนะเอาเอาเอาดาบนะหรือว่าจ้เาเอาความตายนะก็คือทัพุไดไม่เอาศาสนาอิสลามก็ต้องตายนะเพรา ะ, ะชาวพุทธแท้จริงในยุคนั้นก็ไม่ยอมเอาศนะาสนาอื่นก็ตายกันมากมาย หลังนั้นก็เสื่อมหมดสิ้นไปจากอินเดียก็เพราะเหตุนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับใคร น, นี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นจุดโดดเด่นของพุทธศาสนาที่ว่าเราประพฤติจริงๆแล้วเราจะไม่มีการที่เรียกว่าเราจะไปขัดคําสอนของพุทธเจ้าท่านให้เร า, ายอมรับในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเราจะไม่ไปเบียดเบียนชีวิตใคร แมแ้ในคําสอนของพ่อเจ้าบอกยังบอกว่าถ้าผู้ใดมีโจร น, นะเอาเอาเลื่อยมาเลื่อย ว, วิวาน้อยใหญ่ของเราถ้าเราไปโกรธโจรก็ชื่อว่าไม่ได้เป็นอลุกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเห็นมาขนาดแบบนี้ท่านก็ยังไม่ให้เราไปไปต่อสู้ไปต่อต้านกับใครทั้งสิ้นเลยนะให้เรายอมรับไปตามความเป็นจริงนั่นแหละหรือผู้ใดมามาด่าเราก่อนนะถ้าเราไปด่าเขากลับนะคือไปโกรธที่หลังด่าเขากลับ เราก็ก็ชื่อว่าเราเร็วกว่าคนที่ด่าเราคนแรกอีกนะนะเนื่องจากคาสอนต่างๆแล้วก็คือให้เรายอมรับนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรายอมรับเขาได้ไหมนะเรายอมเสียเปรียบไหมนะอัตราตัวตนเราลดลงไปไหมนะมันเป็นสภาวะที่ว่ามันออกจากความยึดมั่นที่ทแท้จริงนะในตรงนี้นะหรือแม้แต่ในสมัยหนึ่งที่อ่นะ ในสมัยพุทธกาลก็มีพระสองกลุ่มทะเลาะกันเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเรื่องวางขันในห้องน้ำขันน้ำเหลืออยู่ในขันแล้วไม่ไม่คว่ำขันให้น้ำหมดไปก็เป็นการทะเลาะกันระหว่างพระพระอาจารย์ที่เป็นพระนักเทศกับพระพระวินัยนะโตเถียงกันไปโตเถียงกันมาลูกศิษย์ก็เลยแบ่งเป็นสองฝ่ายทะเลาะกันพระพุทธเจ้าก็เลยไปจา ภรรษาอยู่ในป่าปลาริไลยนะนะแล้วต่อมาก็มีมีพระที่เกิดการพิจารณาสังขารนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารนี้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ <c oughs> ก็เลยฆ่าตัวตายก็มีฆนะ่าตัวตายนะหรือไม่ก็ไปจ้างให้คนอื่นฆ่าก็มีนะอันนี้ไหลไหลองนะเป็นนับ รับเยอะได้มากมายเลยนะหลายสิบองค์นะอันนี้จึงเห็นว่าเนี่ยคือเป็นการที่เมื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็กลายเป็นว่าเราไม่ยึดติดกับอะไรนะก็ไปฆ่าตัวตายกันหรือไม่ก็ไปให้คนฆ่าตัวตายนะจนตอนหลังพระพุทธเจ้าได้ออกมาแล้วก็บอกว่าเออมันก็ไม่ถูกต้องเนอะทําสิ่งนั้นนะมันไม่ดีไม่ถูกต้องการฆ่าตัวตายเป็นบาปด้วยนะถึงว่ามันมา ร่างกายนี้ไม่ใช่เราแต่เราก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็ควรจะรักษาไว้ก่อนนะก็ให้เขาตายเองตามธรรมชาตินั่นแหละในนี้ก็คือถ้าปฏิบัติทำในตรงนั้นก็จะเห็นว่าชาวพุทธก็ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กลัวตายเนาะไม่ไม่ไม่กลัวตายสามารถที่จะตายได้เหมือนกันนะนะขนาดฆ่าตัวตายก็ยังฆ่า ต, ตัวตายได้เลยนะแต่มันก็ไม่ถูกต้องที่ว่านั่นแหละนะ เป็นการที่เรียกว่าเข้าเข้าสู่ธรรมะแล้วมันจะไม่ยึดติดในสภาวะตรงนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่ายอมรับความเป็นจริงไปนะแล้วความเป็นจริงนั่นก็คือเราสามารถยอมรับในในความเป็นจริงที่ว่าเราเข้าถึงธรรมะแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาัตตนี่แหละว่ามันจริงๆแล้วเป็นสิ่งเรายอมรับได้ไหมนะอย่างที่เมื่อกี้เราก็สวดติลัคนาสูตรนะในว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตานะัตตาเนี่ยตรงเนี้ยท่าบุไดเห็นความจริงในตรงนี้ก็จะความทุกข์ไดนะ้เพราะว่าจริงๆแล้วนะการปฏิบัติธรรมทั้งหมดมันก็คือให้เข้าสู่ความจริงและเข้าสู่การาายอมรับในตรงนี้เท่านั้นเองนะถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งใดเราก็มีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะเช่นนะบางทีอาจจะมีคนรักของเรานะละทิ้งเราไปนะ จริงๆแล้วอาจจะรู้จักเราไม่นานเราอาจจะจริงๆอาจจะไม่ถึงปีซะด้วยนะ nào, เขาละทิ้งเราไปแล้ว เ, เราก็มีความทุกข์มากนะบางคนก็ไปฆ่าตัวตายก็มีนะอันนี้ตรงนี้เกิดจากว่าจิตเราไม่ยอมรับในความจริงนะนะไม่ยอมรับในความจริงว่าจริงๆแล้วเขามาแล้วก็ไปได้นะเข้ามาแล้วก็จากไปได้นะถ้าเราเข้าใจความจริงเราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่คือมาเห็นความจริงในตรงนี้พราะว่าวามันไม่เที่ยงนะ นะหรือบางทีมาแต่แต่งงานกันไปแล้วนะนะแต่งงานเพราะความรักนะความรักนะแต่งกันไปบางทีก็ได้ข่าวนะบางทีแต่งกันไม่ถึงปีก็หย่า ก, กันก็มีนะเลิกกันไปเลยลงข่าวหนึ่งพิมพ์ก็มีมากมายโดยเฉพาะดาราดังๆนะอันนี้ก็คือความจริงอย่างหนึ่งว่ามันความรักมันไม่เที่ยงหลอกใช่ไหมไปยึดถืออะไรเป็นความรักที่มันเที่ยงแ น, น, น่นอะนใครที่บอกว่ารักเรา ชั่วฟ้าดินสลายนั้นก็โก6ทั้งนั้นแหละใช่ไหมพะไปยึดจริงเป็นจริงเป็นจังพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันก็มีหลายความทุกข์เพราะเราไม่ได้เข้าใจความจริงตรงนั้นนะแต่ว่าเป็นความจริงอย่างนึ่งว่าในสมัยนะโบราณนะจริงๆก็ไม่ได้โบราณหรอกรุ่นปู่รุ่นทวดเราอันนั้นแทาจะไม่มีการหยากันเลยนะไ ม, ม่ไม่ค่อยแทบจะมีการหยาพูดง่ายๆว่าร้อยเซไม่มีการหยากันนะ เพราะอะไรเพราะว่าในในสมัยนั้นเ้าไม่ได้แต่งงานเพื่อความรักนะแต่แต่งงานเพื่อเป็นความคุ้มครองนะเป็นการที่เข้ามาอยู่ในความคุ้มครองของผู้ชายผู้ชายที่มีอํานาจมีเงินมากก็จะมีผู้หญิงเข้ามาอยู่ในความคุ้มครองมากนะเพราะนั้นผู้ชายก็จะมีภรรยาได้หลายคนนะโดยที่ว่าเขาก็ไม่จะเป็นต้องรักกันแต่ว่าเข้ามาอยู่ในความคุ้มครองมาช่วยเหลือดูแลกันมากกว่าเขาก็เลยไม่อยากกันนะ เพราะว่าไม่ได้แต่งงานด้วยความรักแต่ถ้าแต่งงานด้วยความรักมันก็ไม่เที่ยงนั่งแหละมันก็พอไม่รักกันมันก็กลายเป็นไม่พอใจโกรธกันมันก็หยากรนะ์แต่ถ้าแต่งการด้วยการคุ้มครองต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ด้วยกันส า, สามารถที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้นานมากนะอันนี้มันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งว่าคนเรายอมรับในตรงนั้นไหมนะหรือแม้แต่ที่มีข่าวเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นๆล้านนะขัดทุนเป็นพันล้านก็ไปฆ่าตัวตาย ทางทัดยิงยังมีเงินเหลืออยู่มากมายอันนี้ก็คือว่าเขายอมรับในความเป็นจริงในตรงนั้นไหมนะถ้ายอมรับเขาก็เขาก็ไม่ทุกข์จริงๆแล้วเขาก็มีเงินเยอะนะหรือแม้แต่เรามีโครคภัยไข้เจ็บนะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเรายอมรับไหมนะอย่างคนเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งนี่จริงๆแล้วก็มีความทุกข์มากนะแต่ถ้าเป็นใหม่ๆนะก็จะรู้สึกว่าโอ้มันมีความทุกข์มากทําไมเราต้องมาเป็นมะเร็งทําไมคนอื่นเไม่เป็น นะมันก็คิดไปเรื่อยนะมีความทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจนะแต่ถ้าเราเป็นไปนสักปีหนึ่งก็จะเห็นว่าเออคนเขาก็เป็นกัไหลายคนนะเราเราก็เริ่มเคยชินแล้วนะเพราะนั้น เ, เมื่อเมื่อเกิดเช่นนั้นมันก็จะเกิดการยอมรับได้มากขึ้นนะมัน ก, ก็ก็เหลือแต่ความทุกข์กายอย่างเดียวนะความทุกข์ใจก็อย่างน้อยลงไปเรื่อยๆนะหรือจนในสุดมันก็ไม่ค่อยจะมีความทุกข์ หรืออย่างเช่นกรณีที่เมื่อหลายสิบปีก่อนก็มีที่สี่แยกลาที่สี่แยกลาดประสงค์นะก็มีรถแก๊ส LPG นะมาขับลงจากสะพานลอยมาแล้วก็เสียหลักในขณะที่รถติดกันมากมายก็พุ่งไปชนรถหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็เกิดระเบิดขึ้นมานะแก๊กก็ลุกลามเป็นไฟไหม่ทั่วไปทั้งบริเวณที่รถติดกันมากมายเป็นหลายหลายร้อยคัน นะตอนนั้นก็คนก็ตายกันเยอะแล้วคนที่โดนไฟลวกก็บาดเจ็บจากไฟลวกก็มีมากมายนะ่เรียกว่านะมีความทุกข์ทรมานมากนะแต่มีการสัมภาษณ์ต่อมาว่าคนเหล่านั้นเหมือนกับตายทั้งเป็นนะเพราะว่าโดนโดนไฟลวกก็มานั่งนึกเอ๊ะทำไมวันนั้นเราต้องขับผ่านไปตรงนั้นนะนะาะขับผ่านไปก่อนนะผ่านไปก่อนตั้งนาทีก็ไม่ไม่รถติดอยู่ตรงนั้นก็ไม่โดนไฟลวกหรือว่าเออถ้าไปช้านั่นก็ไม่เป็นไร หรือไปธุระที่อื่นก่อนนะหรืออะไรสักอย่างหลีกเลียงไปไม่ได้อยู่ตรงนั้นทำไมต้องเป็นแบบนี้นะนะก็มีความทุกข์กันมากมายนะเพราะว่ามันเป็นความทรมานอันนีนะ้จะเห็นว่ามันความทุกข์มันมีทั้งสองอย่างเลยก็คือความทุกข์กายและทุกข์ใจด้วยเพราะใจก็วนในความคิดเช่นนั้นอยู่เรื่อยๆออกจากความทุกข์ตรงนั้นไม่ได้นะมันก็กลายเป็นว่าไม่ยอมรับ เนะพราะไม่ยอมรับมันก็จะทุกกายทุกใจแล้วมันก็จะวนอยู่ในฝันร้ายนะฝันร้ายในเหตุการณ์นั้นตลอดไปนะมันมันเป็นความทุกข์ที่ทรมานมากเนะพราะใจไม่ยอมรับความจริงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะหรืออย่างอาจารย์กำพลทองบุนนุ่มนะท่านกะ็ประสบบัตเหตุนะกนะ็กระโดดน้ำนะเป็นการที่เรียกว่าสอนนักเรียนนะ กระโดดน้ําแล้วก็เกิดพุ่งผิดท่านะหัวก็ไปไปปากลงไปในพื้นน้ํากระดูกต้นคอข้อที่5ก็หักไปนะในท่านก็มีความทุกข์มากนะเพราะว่าหลังนั้นท่านก็เป็นผู้ที่พิการแล้วก็เป็นอวมภาพเคลื่อนไหวแทบจะไม่ได้เลยนอกจากแขนเคลื่อนไหวได้เพียงเล็กน้อยแล้วก็ศีรษะเท่านั้นนอกนั้นก็เคลื่อนไหวไม่ได้ท่านก็มีความทุกข์มากจากผู้ที่มีอนาคตลุ่งเรืองกําลังจะแต่งงาน นะกําลังจะบวชนะแล้วก็อนาคตก็ไปไกลนะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เหมือนกับวูบนะดับอนาคตทั้งหมดนะออกต้องออกจากงานไม่ได้คนรักก็หายไปนะแล้วก็ไม่ได้บวชทุกอย่างหายหมดนะท่านก็มีความทุกขนะ์เป็นเวลานานนะทุกทางกายและทุกทางใจนะเพราะไม่ยอมรับสภาพไปเกิดขึ้นนะบางครั้งท่านยังบอกว่า มันเหมือนกับว่าท่านอยากเป็นการฝันไปมันมันทรมานจริ ง, รงๆว่าเมื่อไรจะตื่นเัก่ทีหนึง่งตื่นจากความฝันลายเมื่อทีหนึง่งแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมานะจนกระทั่งท่านอ่านหนังสือถึงธรรมะถึง16ปีนะฟังเทปด้วยก็ไม่ออกจากความทุกข์ได้นะก็ติดในความทุกข์นั่นแหละทุกกายทุกใจมันตลอดนะจนทางหลังจากนั้นก็ มีผู้แนะนำให้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อกรรเขียนก็คือเขตยนไม้มาหลวงพ่อก็แนะนำไปว่าไปปฏิบัติธรรมเดินเดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ก็ปฏิบัติธรรมได้น ะ, ะถ้ายกมือสร้าง14จังหวะไม่ได้ก็ก็นั่งหรือนอนก็พลิกมือคว่ำพลิกมือหงายก็ได้นะให้รู้สึกตัวไปในแต่ละกษณะที่การทําเหล่านั้ น, นท่านก็ทําเช่นนั้นวันละ6ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งเดือนท่านก็เห็นเห็นความจริงว่าเออจริงๆแล้วกายและใจมันก็แยกกัน มันก็ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันนะกายพิการกายเป็นอัมพาตก็เป็นส่วนกายแต่ใจก็ไม่จําเป็นต้องเป็นท hmm <rates him> ุกข okay. ์ด <derivatives> ้วยนะเพราะใจมันไม่ได้เป็นอัมพาตไปด้วยนะะใจมันไม่เป็นอัมพาตหรอกไม่มีทางเป็นแน่นอนนะแล้วใจก็ไม่ได้พิการด้วยใจก็เป็นอิสระนี่แหละเพียงแต่เมื่อก่อนมันใจไปยึดกับกายเท่านั้นเองกายก็อัมพาตก็ใจก็เลยไปติดในตัวนั้นไปด้วยนะใจก็เป็นทุกข์ไปนะว่าเราอัมพาตแล้วนะ พอหลุดมาปั๊บมันก็มาอนกับยาหมองนะฝาละยาหมองกับขวดยาหมองก็หลุดจากกันมันก็เห็นเลยความทุกข์ทางกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็ไม่ทุกข์ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะมันก็เลยแยกกันก็กลายว่าทุกแต่กายแต่ใจก็ไม่ทุกนะก็เลยกล่าวได้ว่าลาออกจากความทุกข์ทางกายแล้วนะเนี่ยมันก็เลยออกจากความทุกข์ได้ทั้งอะไรยิ้มย้มแจ่มใสนะใครไปเยี่ยมคนไปเยี่ยมท่านเป็นคนที่แข็งแรงบางคนก็ฐานะดี แต่มีความทุกข์ทางใจต้องไปให้คนที่มีความทุกข์ทางกายสอนน ะ, ะคือคนมีความทุกข์ทางกายแต่ไม่ทุกข์ทางใจไปสามารถที่จะไปแก้ทุกคนที่มีความทุกข์ทางใจได้นะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะก็คือตรงนี้เราจะเห็นว่าจริงๆท่าออกจากความทุกข์ว่าเพราะท่านก็เกิดการยอมรับขึ้นมานั่นเองนะว่าจริงๆแล้วมันก็ทุกนั่นแหละแต่เมื่อก่อนไม่ยอมรับท่านก็เลยมีแต่ความทุกข์ แต่เมื่อติดยอมรับในระดับนึงแล้วก็ออกจะความทุกข์ได้นะนี่มันเป็นสิ่งที่ว่าเรายอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไหมว่าเรายอมรับความไม่เที่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นไหมนะเมื่อก่อนก็เคยมีนักปฏบัตคนหนึ่งก็มาปฏบัติใหม่ๆแล้วก็ลูกชายก็ไปประสบอุบัติเหตุรถก็ไปชนกันนะ ก, ก็เกิดรถก็เกิดไฟไฟไหม้นะลูกชายก็ขา โดนไฟไหม้หัวก็ไปกระแทกกับตัวรถนะทําให้บาดเจ็บหนักเลยมาจะเป็นตายเท่ากันนะแล้วก็พอได้ทราบข่าวเขาก็รู้สึกว่าเห็นเลยว่าความทุกข์มันอยู่ตรงหน้าเขานะแต่ว่าเขาก็มีสติว่าเขาจะเข้าสู่ความทุกข์หรือไม่ก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเขาเขาเริ่มที่จะเห็นความทุกข์แล้วนะเป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เมื่อก่อนยังไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นสู่ในความทุกข์ทุกครั้ง แต่จริงๆละครนี้ถือว่าเป็นไลฟแรงมากเพราะเกิดกับลูกชายเขาเองนะแต่ก็เห็นความทุกข์มันรอยเบื้องหน้าแล้วนะแล้วตัวเขาจะเข้าไปสู่ความทุกข์หรือไม่ก็ยังได้เลยนะเขาก็เลยมีสติที่จะจัดการทุกอย่างนะด้วยความเรียบร้อยนะแล้วก็พอดีได้พูดคุยกันก็บอกว่าให้เขายอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะได้ไหมนะเขาก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แม้ว่าลูกชายจะเป็นอย่างไรเขาก็ยอมรับได้ทำให้เขาก็ ทุกน้อยไปนะหรือต่อหลังถ้าจะไม่ทุกเลยก็ใาสา่ธรรมะเนี่ยมาช่วยทำให้ลูกชายหายด้เร็วขึ้นด้วยนะแต่ถ้าบางคนเจอสภาพนี้ก็จะหมดสภาพนะก็เรียกว่ า, าไม่รู้จะทาอย่างไรตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วนะคงไม่ช่วยใครไม่ได้หรอกนะมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราช่วยใครไม่ได้เลยนะเพราะตัวเราเองก็ยังช่วยตัวเราเองไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเราช่วยตัวเองเราได้เราก็ไปช่วยคนอื่นได้อยู่ดีนะมันก็คือการยอมรับสภาพตามความเป็นจริงในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น โดยที่ใจเราไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะาการที่เรามาศึกษาพุทธนาจริงๆกอใหอ้เรายอมรับในความเป็นจริงที่ว่าจริ ง, รงๆเขามีมาก่อนที่พุทธศาสนาจะเกิดขึ้นเลยอีกนะั่ก็คือสัจธรรมสัจธรรมก็คือความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงอนิจจังนะทุกขังคือการทนในสภาพเดิมไม่ไดนะ้ความที่เขาไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคั บ, บปัญชายไม่ได้เป็นอนัตตานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประจําโลก มาตั้งแต่โบราณเก่าแก่สมัยไหนแล้วนะแต่จริงๆแล้วคนก็มีความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้นะเพราะมันไม่ที่ยังเป็นทุกข์ไม่ตัวไม่ตนนะบังคับบัญชาไม่ได้มาตลอดก็เลยมีแต่ความทุกข์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกจากความทุกข์ได้อย่างไรนะแต่พระเจ้าก็ทรงมาตรัสรู้เนะี่ยเราก็เห็นความจริงในเรลึศ ส, ส, สี่เห็นสาเหตุแห่งความเกิดทุกข์ทั้งหลายแหละนะเราก็เห็นความจริงในพระไตรลักษณ์นะว่าจริงๆแล้วพวกนีก้เป็นสิ่งที่ประจําโลกมานานแล้ว อาการที่เราเป็นความทุกข hey, yeah, ์ทั้งหลายหลก็เพราะว่าเราเราไม่เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เลยไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้นะไม่ไม่เกิดการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงในความที่ทนในภาวะเดิมไม่ได้เพราะเราเราต้องการให้เข้าอยู่กบเราถาวรนะพะไม่ถาวรเราก็ไม่ยอมรับต้องถาวรนะต้องดีถาวรไปเมื่อสิ่งใดไม่ถาวรเราก็ไม่ยอมรับนะเช่นคนที่เรารักเขาจากไปเราก็มีความทุกข์ คนที่เราลักเขาหนีห่างจากเราเราก็มีความทุกข์เราประสบสิ่งที่ไม่รักเราก็มีความทุกข์อีกเราพัดพลาจากสิ่งใดก็มีความทุกข์ร่างกายของเราขัน5้ารูปเบนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายและใจในจริงๆมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันก็เข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาถ้าเราไม่ยอมรับก็มีความทุกข์แต่เรายอมรับก็ไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นในความจริงในความ ที่เรียกว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นความทนในภาวะเดิมไม่ได้เป็นความหน้าตาเนี่ยจากการที่เมื่อก่อนเราไม่ยอมรับแต่พระเจ้าสอนให้เราเข้ามารู้ความจริงตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อใจจะได้ไม่ไปยึดติดกับเขามากเกินไปไม่ไปเกาะเกี่ยวไม่ไปผูกพันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นน้อยลงความยึดมั่นน้อยลงไปเรื่อยๆก็กลายว่าเราเริ่มยอมรับความจริงได้ง่ายๆขึ้นนะเกิดพรวันเกิดการปล่อยวางนั่นเองนะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติด เหมือนกับเราถ้าเรารักใครมากๆนะเราจะรู้สึกว่าเราผูกพันมากคนคนที่เรารักนั่นแหละก็จะนําความทุกข์มาให้เรานะเอาเรามีแฟนแล้วคนหนึ่งก็ต้องคอยดูแล้วสมัยนี้ต้องดูโอ้จะโทรศัพท์ไปหาใครไหมแต่มันลายยิ่งกว่าทุกวันนี้มันโทรศัพท์มันก็ได้ยินนะั่นเด่นในกายไปเล่นไลน์ไม่รู้เล่นอะไรกดอะไรไม่รู้ทั้งวันบางทีนอนกับเราไม่รู้ว่ากดลายไปหาใครก็ไม่รู้นะออมันเป็นความทุกข์มากเลยนะขยับเขยื้อนตัวนิดนึงก็รู้สึกว่ากลัวว่าเขาจะไป มีกิ๊กมีไรหรือเปล่านะมันเป็นสิ่งที่ว่ามันมันกลายว่าเราต้องคอยระแวงต้องคอยระวังต้องคอยหึงหวงต้องคอยตามดูแลนะต้องคอยสอดส่องนะแต่ถ้าวันใดวันใดวันหนึ่งเรารู้ว่าผู้หญิงนี่ไม่ดีแล้วนะเป็นคนที่แย่มากนิสัยไม่ดีเป็นคนที่เรียกว่าไว้ใจไม่ได้แล้วเราจึงเลิกการผูกพันเลิกการยึดถือ อาจจะเลิกการติดต่อเลยนะหลังนั้นเราก็จะไม่ทุกข์จากผู้หญิงคนนี้อีกนะมันก็กลายว่าสบายนะต่างคนต่างอยู่ไปก็ไม่ทุกข์จากคนนี้อีกต่อไปแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจมันมันหมดการยึดมั่นถือมั่นในคนนั้นแล้วมันก็ไม่ทุกข์นะเพราะฉนั้นจึงว่ า, าการที่เราไปยึดมั่นผู้ใดนั่นแหละนั่นคือความทุกข์นะแต่เราไม่ยึดมั่นสิ่งใดเราก็ไม่ทุกข์จากสิ่งนั้นเนะพราะนั้นเรายึดมั่นในตัวเราเองเราก็จะทุกข์ แต่เมื่อเราไม่ยึดมั่นในตัวเองเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งในพุทธศาสนาก็คือให้เราออกจากความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งต่างนั่นเองนะการยึดมั่นมันก็คือเรามาเห็นความจริงบ่อยๆในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละมันก็จะค่อยๆออกจากความยึดมั่นมาได้นะก็คือในขั้นแรกนะเราไม่ต้องไปหลุดจากความยึดมั่นอะไรหรอกให้กลับมาพิจารณาตัวเราเองนะในตรงนี้ให้ชัดเจน ในความเป็นตัวเป็นตนนะว่าจริงๆแล้วเขามีอยู่ไหมไหมาการปฏิบั ต, ติธรรมนั่นก็คือกลับมาสู่ที่ตัวเราทั้งหมดมันไม่ได้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนนะก็แับเป็นการปฏิบัติธรรมที่กายและใจเป็นการตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่เราไปไปแกล้งทำก็นะไปสร้างสารรค์เขาขึ้นมานะต้องต้องรู้ตามความเป็นจริงเขาต่างหากรู้ความเป็นจริงอะไรนะเราไม่ได้บังคับให้เข้าดีนะอเขา เขาไม่ดีท <mister ius> no ําให้เขาดีเ <tecn> น <ics> ี่ยไปบังคับเขาแล้วนะเขาโกรธทาให้เขาไม่โกรธก็ไปบังคับเขาต่างๆเหล่านี้เขาไม่สงบทําให้เขาสงบนี่ไปบังคับเขาก็คือจะทําไม่ดีให้เป็นดีเนี่ยไปแปลงบังคับเขาหมดเลยเราก็ไม่เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ดีได้นะเขาก็ไม่ดีได้เขาก็เหลวไหลได้เขาก็ไม่เที่ยงได้เขาก็ทุกได้อันนี้เราเราสามารถกลับมาเห็นในตรงนี้นะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดีตามเราต้องการเนี่ มันกลายมาเราเห็นแล้วว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาก็แสดงความไม่เที่ยงนะเออบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีใช่ไหมปฏิบัติธรรมบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเนี่ยมันก็เห็นในตรงนี้บ่อยๆมันก็จะรู้ว่าเออจริงๆเราก็บังคับเขาไม่ได้เลยนะออะบางครั้งเขาก็มีสติบางครั้งก็ไม่มีสติบางครั้งเขามีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาเห็นแบบนี้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยเหมือนกับเราเห็นเห็นเห็นความจริงเห็นเห็น เห็นคนรักของเราก็ได้นะเรารักเขามากนะเขาเรียกว่าความรักทำให้ตาบอดก็เห็นในความดีเขาตลอดเลยเป็นคนดีเป็นคนหล่อเป็นคนสวยก็ยึดมั่นถือมั่นเขามากเลยนะแต่ถ้าสมมติเกิดแต่งงานไปแล้วนะมันเริ่มเห็นความไม่ดีแล้วนะจริงๆแล้วก็ไม่ดีนะเป็นคนขี้เกียจตื่นสายนอนกลนเสียงดังนะเป็นคนโสโปกนะเป็นคนโกหกเก่งเป็นคนหลอกลวงนะ เป็นคนที่นิสัยไม่ดีหลายๆอย่างเลยนะมันความรักมันก็เริ่มจะน้อยลงนะกลายเป็นต่อหลังจะกลายเป็นความไม่ชอบใจตัวเองนะกลายเป็นความเกลียดนะจากความรักกลายเป็นความเกลียดเพราะอะไรเพราะเราเริ่มเห็นความจริงแล้วนะตอนหลังที่ว่าออจะไปไหนก็ไปช่างหัวไม่ถึงไม่สนใจแล้วนั้นมันความผูกพันในคนนั้นก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาเห็นความจริงในจิตใจของเราบ่อยๆนะเห็นมันก็ดีบ้างชั่วบ้างถูกบ้างผิดมั่งหลงมั่งอ่า เป็นสิ่งต่างที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความผูกพันในใจเราที่มันไปยึดมั่นมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีจริงๆนะมันก็หลงบ่อยๆนะมันก็ทํางานมันเองนะความคิดมันก็ทํางานมันเองเราไม่ได้อยากคิดทำหยุดคิดสัก5นาทีก็ยังไม่ได้เลยนะมันก็ค่อยๆเห็นว่าจริงจริงจิตใจมันทํางานมันเองไม่ใช่ว่าเราทํางานนะความคิดนี่เห็นชัดเลยความตั้งใจคิดก็ส่วนหนึ่งความไม่ตั้งใจคิดก็ส่วนหนึ่ง นะแต่ความไม่ตั้งใจคิดนี่เยอะมากนะมันเยอะมากจริงๆนะมันตั้งใจคิดมินิดเดียวแต่ไม่ตั้งใจคิดต้องเยอ ะ, ะแสดงว่าจิตใจมันทํางานเองไม่ใช่เราแล้วนะเราบังคับอะไรก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าบังคับให้หยุดคิด5นาทีก็ยังบังคับไม่ได้เลยนะจริงจริงเราบังคับอะไรเขาไม่ได้เลยจินะตใจ บ, างบั ง, บงคับไม่ได้เราก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีบอกยาโกรธได้ไหมเขาก็โกรธนี่นั่นแหละใช่ไหมอย่าหลงนะเขาก็หลงอีกนั่นแหละอย่าไปรักใครเขาก็รักอีกนะอย่าไปชอบเขาก็ชอบ อย่าไปโลภอย่าไปอยากได้เขาก็ไปโลภไปอยากได้นี่คือความจริงที่เรากลับมาเห็นในตรงนี้ บ, บนะ่อยๆนะอมันก็ค่อยๆละความผูกพันในตรงนี้อร่างกายของเราก็เหมือนกันน ะ, อะลองดูนะตื่นนอนขึ้นมาโอ้หน้าตาคีรุษยังเลยนะมันจําไม่ได้เป็นหน้าเราหรือเปล่านะไปดูกระจกก็หน้าใครหน้าเกลียดอย่างเลยนะ ม, นมันต่างกันเลยน ะ, ะบางทีไปดูแฟนแล้วนะโอ้ตอนอสวยๆเนี่ยถ้าไปดูว่าตื่นนอนนะมันแทบจะเรียกว่าเห็นเลยว่ามันเป็นยายเพลิงคนนึงเท่านั้นเองนะ มันต่างกันเยอะเลยแต่พอหลังนั้นก็มาตกแต่งหน้าตานะ เ, าเขียนคิ้วทาปากหนะวีผมทําให้สวยงามแต่งตัวสวยงามมันก็เป็นอย่างหนึง่งนั่นคือของปอมนะพราะฉะนั้นแตกเพราว่าอย่าไปประดับตกแต่งอย่าไปใส่เครื่องประดับใส่น้ําหอม เ, อเขียนคิ้วทาปากต่างๆอันนี้ผิดสิ้นแตนะเพื่ออะไรเพื่อให้เรากลับมาเห็นความจริงต่างหากเราว่าเออร่างกายเราเป็นแบบนี้นะมีแต่ความไม่เที่ยงนะมันมีแต่ความทุกข์ ไม่ใช่ว่าทําให้มันสวยงามนะพระพุทธเจ้าก็เลยให้เราเห็นความจริงมากกว่านะก็เลยมีสีแปดว่าอย่าไปไปดับตบแต่งอะไรเขียนคิ้วอเขียนทําหน้าตาให้เราสวยนะ น, นั้นคือกลับมาเห็นความจริงในตรงนี้มากกว่านะเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจความจริงในความที่มันเป็นทุกขนะ์มันทนในภาวะเดิมไม่ได้มันจึงต้องแก่นะต้องเจ็บต้องตายนั่นเองนะเนื่อเจากไม่เห็นหบ่อยจริตมันก็เริ่มเบื่อหน่ายเริ่มคลายความยึดถือในความเป็นร่างกายเป็นของเราแล้ว เพราะมันรู้จักความยึดถือเมื่อไหรมันก็ความทุกข์ก็จะน้อยลงนะมันหมดความยึดมั่นจริงๆแล้วมันมันไม่อยากที่จะมากลับมามีสภาพเช่นนี้อีกนะมันเป็นการตัดภพตัดชาติเลยนะตัดภพแต่ชาติชาติหน้าก็ไั่ได้ไปเกิดใหม่แล้วเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ที่แท้จริงนะแต่ตราบใดที่เรามีความผูกพันในร่างกายในจิตใจเรานี่อยู่ว่าเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะเป็นสิ่งที่เรายังรักให้ยังยึดติด นะมันมันไม่เอาจากความยึดนี้ไม่ได้มันก็ต้องมีการเป็นพบเป็นชาติต่อไปเขาเรียกเป็นอุเบทานนะอย่างที่ว่าเวทานาเป็นปป็จัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นเป็นใจควบอุเบทานอุเทานเป็นเั็นใจให้เกิดคบคบเป็นเจัยให้เกิดชาติชาติเป็นป็นใจใเกิดชรลามรณะโศกอเทวทูตขทมนัสุ ป, ปายาสาปิมากมายนะก็เพื่อว่าต้องนี้เป็นอุเทานในใจเราจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจของเรานี่แหละพอเราละจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจเราแล้ว เมื่อมันวางได้แล้วเราจะไปยึดมั่นคนอื่นมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะมันจะวางไปได้เองทุกอย่างนะมัไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่ภรรยาของเราไม่ใช่ทรัพย์สินสมบัติของเราไม่ใช่ที่ดินไม่บ้านเราก็ละได้หมดนะจากการที่เราละความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละมันจะไปละทุกอย่างได้ด้วยนะอย่างที่ว่าการละสังโยชน์ก็เริ่มด้วยการละสักกายะทิฏฐิก่อนก็คือความยึดมั่นถึงมันในความเป็นตัวตนนี่แหละตั้งหลังนั้นกิเลสต่างๆมันก็จะล่มเป็นโดมิโนไปหมดเลยนะมันไม่ต้องไปละเพียงละในตตััวนนนเเราได้ี่ยกกิลม็คอทจะ ไม่มีที่เกาะไม่มีที่อาศัยไปด้วยแต่ถ้าตามใดยังมีตัวตนอยู่กิเลสต่างๆก็อาศัยตัวตนนี่แหละเป็นตันหาเป็นสิ่งต่างๆเกาะในใจเราตลอดไปนะเพราะฉนั้นเรายังมีตัวตนเราอยู่เนา ะ, ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะได้ว่าจริงๆหนทางการบัติธรรมก็คือการที่เราเข้าถึงความจริงนะมาเห็นในความเป็นนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังก็คือการทนในภาวะ เ, เดิมไม่ได้แล้วก็การที่เราบังคับบัญชาต่างๆในร่างกายเราไม่ได้มันจึงไม่ตัวไม่ตนเราเนี่ย เมื่อเห็นบ่อยเห็นบ่อยนะจิตก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดถือต่างๆไปเองนะแล้วนั้นเรก็เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนาะก็ขออรัสนาบา ร, รมีคุณพระร ต, ตรัน้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพ่านทุกท่านเทิด